สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟซูตอนที่588เรื่องรู้จักพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงระดับความสัมพันธ์นะครับสามระดับระดับแรกคือระดับกายภาพนะครับระดับที่สองคือระดับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและระดับที่สามก็คือระดับของความสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะครับของความสัมพันธ์การที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพิญญาณบริสุทธ์นะครับเราจะต้องเข้าสู่ระดับของสูงสุดของความสัมพันธ์ก็คือวิญญาณสัมผัสกับวิญญาณพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่พุ่งพีมีพูดเขียนชัดเจนนะครับใน พ, พุ่งพีหนึ่งโครินโบทที่2ข้อสิอนะครับผมอยากให้พี่น้องฟังครับอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิ ญ, ญญาณของมนุษย์คนนั้นเอง พระดาริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันพี่น้องครับคาว่าความคิดกับพระดำรินั้นความคิดนั้นเป็นของมนุษย์พระดำรินั้นเป็นของพระเจ้าคาว่าพระดำริในภาษากรีกนั้นหมายถึงสภาวะการเป็นอยู่ครับสภาวะการเป็นอยู่หรือองค์ประกอบของสิ่งนั้นนั้นสภาวะการเป็นอยู่หรือองค์ประกอบของสิ่งนั้นนั้น อคาทูดเปาโลกล่าวว่าไม่มีใครที่รู้จักองค์ประกอบที่แท้จริงของพระเจ้าหรือเ Star รียบว่าพระดําริของพระเจ้าความคิดของพระเจ้านั่นเองนะครับสภาวะการเป็นอยู่ของพระเจ้าไม่มีใครรู้จักครับนอกจากพู้วิญญาณบริสุทธิ์ครับนะหาเราไม่รู้จักผู้วิญญาณบริสุทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักกับพระเจ้าได้คำ ร, รู้จักนี้มีความหมายมากไปกว่าความรู้จักแบบผิวเผินนะครับความรู้จักแบบเข้าถึงได้ไง่ายๆไม่ใช่อย่างนั้นครับนะครับ เข้าถึงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงนะครับพี่น้องครับเราส่วนใหญ่แล้วนะครับเราบอกว่าเรารู้จักพระประมุขของเรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราแค่รู้จักพระองค์ท่านผิวเผินเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่มีใครรู้จักท่านนอกจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเช่นเดียวกันครับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าก็เหมือนกันไม่มีทางที่เราจะเข้าถึงพระเจ้าได้โดยที่เราจะไม่รู้จักกับพระองค์และการรู้จักกับพระองค์นั้น จะต้องไม่ใช่แค่เพียงรู้จักผิวเผินข้าทูตเปาโลกล่าวต่อไปนะครับว่าเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราอันนี้คือหนึ่งโครินบทที่สองข้อสิบสองครับเป็นพระวจนะที่ประทับใจมากครับเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแสดงว่าเราได้รับวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจ จะรู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับไม่มีใครรู้พระดำริของพระเจ้าได้นอกจากพระวิญญาณไม่มีใครรู้จักพระเจ้าได้นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสําแดงให้กับเรานะครับพระเยซูจะส่งประทานพระวิญญาณให้กับเรานะครับและผ่านทางความสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระเจ้านั่นเองเราจึงจะสามารถมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าผู้สร้างได้ในระดับของจิตวิญญาณพี่น้องครับ เราเห็นนะครับว่าจากประวัติและที่สิ่งที่บันทึกในพระธรรมกิจการนั้นเรารู้ว่าเปาโลนั้นไม่ได้ติดตามพระเยซูมาตั้งแต่ต้นครับนะครับเปาโลเป็นไปได้ครับที่ไม่เคยเห็นพระเยซูเลยทางกายภาพครับทางกายภาพหมายความว่าอาจจะไม่รู้จักพระเยซูด้วยตาเลยครับนะเป็นไปได้มากเลยครับและท่านได้กล่าวนี้ครับว่าพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพาราะข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีใครสอนข้าพเจ้าแต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมการลาเทียบที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดบสองครับแสดงว่าพระเยซูรทรงสำแดงกับเปาโลกับอัครทูตเปาโลเป็นการส่วนตัวไม่ได้ผ่านมนุษย์คนไหนเลยครับเพราะว่าท่านเขียนอย่างนั้นนะครับแสดงว่าท่านต้อง รับการสำแดงนี้ผ่านทางพระวิญญาณของพระเยซูนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับเป็นไปได้มากเลยครับที่อักขริปปาโลมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกับพระเยซูแม้ว่าเขาไม่เคยพบกับพระเยซูพระผู้ช่วยรอดทางกายภาพครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับเปโตรแล้วเปโตรนั้นพบกับพระเยซูมาก่อนนะครับและในช่วง ปลายชีวิตของอาคาทูตเปโต้นะครับเปโต้นะครับท่านได้เขียนจดหมายในพระธรรมสองเปโตบทที่สามข้อสิบห้าสิบหกท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงพวกท่านตามสติปัญญาที่ประธานแก่เขานั้นในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยากเี่ครับอยากจะเน้นกันว่าในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยาก แสดงอะไรแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่เปาโลได้สัมผัสมีความสัมพันธ์กับพระเยซูนั้นลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งจนกระทั่งที่ว่าไปโตบางครั้งก็ไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงก็มีเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือความสัมพันธ์ที่อัครทูตเปาโลได้มีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมากมายครับมากมายจริงๆนะครับแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อนพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับทําให้เรา จึงมีความชื่นชมยินดีมากเพราะไหครับเพราะว่าเราได้รับโอกาสที่ติดตามพระเยซูโดยไม่ต้องเห็นพระเยซูทางกายภาพได้ครับนะครับนี่เป็นสิทธิพิเศษที่เราได้รับเพราะไหครับเพราะว่าเราสามารถพบกับพระเยซูได้เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยที่ว่าเราเองนั้นไม่ต้องเห็นด้วยกายภาพแต่แต่เราสามารถพึ่งพาพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ พึ่งพาความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราจะได้เข้าใจและรู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขอให้พี่น้องได้มีโอกาสครับที่จะสัมผัสกับความสัมพันธ์ระดับลึกซึ้งที่เราทั้งหลายซึ่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าบังเกิดใหม่แล้วนะครับจะมีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะครับโดยการไข้ควรภารวนะครับพี่น้องนะครับเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถึงขนาดที่ว่าเรานะครับจะได้สัมผัสถึงน้ำมัทไทยของพระเจ้าจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ที่ตรัสผ่านภาวนะของพระองค์เราจะสามารถที่จะรู้สึกเหมือนอย่างที่พระองค์ปรารถนาให้เรารู้สึกนะครับเราจะมีความสัมพันธ์ระดับลึกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะค้นพบนะครับค้นพบ ความสัมพันธ์นี้ความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่นี้นะครับเราจะต้องสแสวงหาที่จะในการรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องเพราะเพราะชนะของพระเจ้าให้กำลังใจเรานะครับที่ให้เรายอมให้พระวิญญาณสุดทํางานในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราหันกลับมาหาพระเจ้าเราจะต้องกลับใจใหม่ รับการชำระจากพระเลหิตอันอทรงอิษฐานรูปภาพของพระเยซูที่ได้หลั่งไหลบนแมงแขนด้วยกันอธิษฐานสารภาพบาปครับหเพระเาะชนะของพระเจ้าใไขครวนนะครับเราจะได้เห็นพระองค์ชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเรื่เราจะรู้จักกับพระองค์ผู้ทรงรักเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเรื่อยและเพระเาะชนะโดยการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชำระเราและเปลี่ยนแปลงเราให้เหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับ พี่น้องครับผมอยากจะยกตัวอย่างข้อพระผีสักข้อหนึ่งครับให้เป็นกำลังใจกับพวกเราในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ใน2โครินโบที่3ข้อ 16-18 นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมทั้งตัวผมด้วยในการแสวงหาความสัมพันธ์ระดับลึกที่เรามีกับพระเจ้าของเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับโปรดฟังก็อเจะนะจของพระเจ้า2โครินโบที่3ข้อ 16-18 แต่ถ้าใครหันมาหาองค์พระบูเป็นเจ้าภาพภาพคลุมนั้นจะถูกเปิดออกองค์พระบูเป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระวิญเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นแต่เราทุกคนไม่มีภาคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระบูเพ็นเจ้าแล้วเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพิชายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลาดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์สิทที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณเพือนครับจุดนี้นะครับเน้นครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระวิ ญ, ญ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นเพี่น้องครับพระกัมภีร์คือตำรานะครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราโดยไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเวลาครับหมายความว่า พระคัมภีร์นั้นทันสมัยทุกยุคทุกสมัยครับเพราะเจนะของพระเจ้ามันเป็นข้อความเป็นบทความที่บันทึกน้ำมัทไทยของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าพระดําริของพระเจ้าเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตคิดเหมือนพระองค์พูดเหมือนพระองค์ทาเหมือนพระองค์ครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นต้องการพระเจนะต้องการพระธรรมและเราต้องการความเข้าใจในพระธรรมด้วยแในหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ เป็นครูครับบรมครูหรือพระอาจารย์ที่นำทางพวกเราสอนพวกเรานำชีิตของเราเข้าสู่ความจริงทั้งหลายทั้งมวลเกี่ยวกับความจริงจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยนะครับวิญญาณขององค์พระวิญญาณทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพเปนอยู่ที่นั่นครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเสรีภาพเนี้ยนะครับคือความเป็นไทยของเราที่เกิดขึ้นจากความจริงที่ได้รับการสอนได้รับการอธิบายนะครับได้รับการขยายความ นะครับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสอนเราเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าครับพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานนะครับอธิษฐานไม่อธิษฐานว่าเราจะไม่เพียงแค่อ่านให้ได้รับความรู้แต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เที่ยตรัดนะครับในหัวใจของเราในความรู้สึกของเราในความคิดของเราผ่านทางพระรมนะครับเมื่อเราคุกเข่าลงด้วยคำถ่อมใจต่อหน้าองค์พระบุญเจ้าเพราะฉจนะจะถูกสักสลักไว้ในชีวิตของเราเลยครับ นะครับท่อมใจที่จะรับโพชนะนั้นและพชนะนั้นและให้พชนะนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับถ้าพี่น้องอยากจะากใหควรโพชนะนะครับสามารถหรือเชิญเปิดได้ในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าทีการอ่านโพชนะของเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับและเมื่อเราอ่านโพชนะนะครับผมอยากจะหลุนใจให้พี่น้องในวันนี้ก็คือว่า ให้ถามนะครับถามพระเจ้าหรืออธิษฐานอย่างนี้นะครับว่าข้าพระองค์จะต้องทำสิ่งใดบ้างเพื่อให้พจนะมีชีวิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะต้องทำสิ่งใดบ้างทำอย่างไรเพื่อที่ให้พจนานั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตของข้าพระองค์กลับมามีชีวิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้าพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องครับ ในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าอาเมน